วันนี้เป็นวันที่16มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน2เป็นวันปฏิบัติธรรมวันพระทุกครั้งวันพระทุกวันเป็นวันปฏิบัติธรรมพวกเราร่วมกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายฆราวาสญาติโยมได้ยึดถือกันมา ตั้งแต่เราสร้างวัดถือว่าเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมการนั่งปฏิบัติธรรมตามแนวแถวขององค์หลวงตาหรือหลวงปู่ล่าหลวงพ่ออยู่บหลวงปู่ล่าเป็นเวลาถึงเกปีอยู่บนหลวงตามหาบัวเป็นเวลาสิบสี่ปี ก็ไม่เคยเห็นหลงปู่ล่าแล้หลวงตามหาบัวท่านพานั่งภาวนามีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนมีแต่เทศจบแล้วก็ท่านก็มีอะไรก็พูดหรือมีปัญหาถามก็ถามไม่มีปัญหาท่านก็ลุกเลยอยู่กับหลวงตาแต่ท่นี้แต่หลวงปู่ฟันไหว้พระเสร็จแล้วท่านนั่งภาวนาแล้วก้าท่านอบรมไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยหลวงพ่อ มาพิจารณาดูมัน ก, ก็ดีได้ทั้งสองอย่างแต่สำหรับผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาใหม่ยังไม่รู้จักแนวทางจะนั่งยังไงนั่งสมาธิและททำใจยังไงทำกายอย่างไรวิธีการเบื้องตน้นถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ซะก่อนมันจะไปทำที่ไหนมากอก มันไม่สนิทใจพูดง่ายๆถ้าว่าได้เรียนตามพ่อก่อตามครูผูบาอาจารย์เป็นผู้พานานั่งปฏิบัตินั่งอย่างนี้นะแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้นะนึกคิดอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้นะมันก็มั่นใจจากนั้นก็สอนแนวทางเลยถ้าต่อไปมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะต้องคิดอย่างนี้นะต้องปรับปรุงอย่างนี้นะอันนี้ก็คือ ผู้ที่เขามาฝึกใหม่เมื่อได้เรียนรู้รู้จักแนวทางแล้วก็จะได้นำไปประพฤติธปฏิบัติเมื่อประพฤติธปฏิบัติได้รับผลความหมั่นความขยันมันเกิดขึ้นมาเองจากนั้นก็จะได้แนะนำสั่งสอนพวกลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดเออการนั่งภาวนาทำอย่างนี้อย่างนี้นะลูกหลานที่มีอุปนิสัยมีบุญเก่ามีอุปนิสัยเก่า ลูกหลานก็จะได้เรียนรู้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองมันจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปอีกส่วนหนึ่งแต่ถาาว่าเราอิทว่าเออเขายังไงเขาก็รู้แล้วล่ะเขาคงรู้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้บอกกล่าวขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอยู่หรออย่างนี้บางครั้งถ้าไม่ได้เห็นกับตาก็ไม่กล้าที่จะทําอีกเหมือนกันเพราะบางคนก็บอกว่า เมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำให้วิปลาสเป็นบา้าเป็นบอไปอันนี้ก็กลัวขึ้นมาแหละไม่กล้าทำถ้าไม่เห็นกับหูกับตาที่ท่านพาพาดำเนินพาทำอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้มีอุปนิสัยเออเป็นผู้เด็ดเดี่ยวหรือพอดเป็นผู้ทางใจก็ไม่เห็นจะต้องแนะนำอะไรมากพอพูดเท่านั้นเองก็นำไปประพฤติปฏิบัติแหละก็ดูดูแล้วก็ ฟังท่านพูดพูดพูดแล้วกน็นำไปปฏิบัติตบปรปุงกายวาจาใจของตนเองอันนี้ก็มีแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วผู้ที่ทำอย่างนั้นได้คือเป็นผู้เชื่อมัน่นเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็เป็นผู้ฉลาดพอสมควรจะได้เรียนรู้เรื่องทางปริยัติปฏิบัติแต่โดยมากมันจะจับขาดหรือจับมือด้วย ให้คิดอย่างนั้นมากกว่าเพราะนั้นบางคนที่เข้ามาเคยภาวนาเคยปฏิบัติแต่พอมาถามแล้วก็ยังปฏิบัติยากลำบากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอื่นไกลในสมัยก่อนหลวงพ่อเองพอเทศจบก็กบพาลูกน้องเลิกกาเอาไหว้พระกลับจากนั้นอบรมพอเสร็จแล้วก็ไหว้พระกลับ ต่นี้พระของเราเนี่ยมันนั่งภาวนาได้จริงหรือเปล่าที่เราสอนนะเนี่ยหรือว่านั่งปีติฟังเทศจ น, นก็กลับมันมีเพียงเท่านั้นหรือเปล่ามันมีการนั่งหรือเปล่าเลยทดลองดูซออิพอจับมานั่งเท่านั้นแ่ะเห็นได้ชัดเลยบางองค์เนี่ยเหมือนกับปลาช่อนยกปลาขึ้นมาโยนขึ้นบนบกลักษณะอย่างนั้น ทุรนทลายกระสับกระสายเออใช่นี่เองครูบาอาจารย์ที่ท่านพานั่งภาวนาพานั่งปฏิบัติเนี่ยท่านมองเห็นอย่างนี้เองคือบางองค์เข้ามาแล้วมันมาอยู่เฉยเฉยมาอยู่แบบไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเล ย, เยมาอยู่มากินเฉยเฉมาถือว่ามาหลบมาหลีกในพระพุทธศาสนาเฉยเฉยพอนั่งภาวนามันไม่เอาจริงเอาจังอะไรเลยมันดิ้นยิ่งกว่า ่ปลาที่ถูกเป็ดยกขึ้นมาบนบกบนบกขี้ใสร้อนๆอย่างนั้นนะมันดิ้น เ, เราก็เห็นเออใช่ต่อไปนี่เราจะต้องให้นั่งภาวนานะ่ยนี่แหละคือสาเหตุที่หลวงพ่อให้นั่งภาวนามีส่วนหนึ่งเหมือนกันที่หลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อยังจำจำไม่ลืมแต่ตัวก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ให้นะพ่อพูดจบแล้วก็ให้อยู่ให้เลิกกัน แต่ต่อมาเนี่หลวงพ่อพูดจบก็ให้นั่งภาวนาจากักโชยระยะหนึ่งบางทีก็ชั่วโมงบางทีก็ยังไม่ถึงชั่วโมงจากนั้นก็เนี่ยแยกย้ายกันกลับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เขามาปวดใหม่หรือเข้ามาสู่วัดวาศาสนาใหม่ถึงคณะศรัทธาญาโสมมาจากจาตุระิศมาจา ก, จากหลายหมู่บ้านหลายตาบลอาเภอจังหวัดเข้ามาสู่วัดก็จะได้เรียนรู้ เรื่องการปฏิบัติตวัวการนั่งภาวนาหรือทําจิตใจให้สงบอย่างน้อยก็เห็นหมู่พวกเพื่อนนั่งตัวเองจะเป็นดิ่นทุรนทุลายก็ชักยังไงอยู่ก็ต้องอดทนไปการอดทนต่อหลายครั้งการอดทนต่อหลายครั้งหลายหนต่อไปก็เป็นอุปนิสัย เ, เป็นแนวทางสําหรับพวกเราอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะ ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจการภาวนาและการปฏิบัติอันดับแรกมันก็ต้องยุ่งยากซะก่อนเหนื่อยซะก่อนยุ่งยากก่อนแต่ต่อไปถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เราจะเป็นแนวทางสำหรับของเราเราก็จะได้ปฏิบัติไปได้เรื่อยๆนะเอาต่อนนีนไปนั่งภาวนานะ